เเว้นบาปเหมือนเว้นยาพิษและทางมีไัยวาณิโชววพยังมะขังกะปะสัตโธมหัตโนวิสังสีตุกาโมะปาปาณิปริวัชเยแปลว่าบุคคลพึงเว้นบาปเหมือนพ่อค้าผู้มีพวกน้อยมีทรัพย์มากเว้นทางที่มีไัยและเหมือนบุคคล ผู้รักชีวิตเว้นยาพิษเสียฉนั้นได้พรันานามาแล้วในเรื่องต้นๆว่าบาปน่ากลัวอย่างไรควรรังเกียจอย่างไรให้ทุกอย่างไรในที่นี้จะพรันานาถึงวิธีเว้นบาปพอสมควรแก่เรื่องราวประการแรกผู้ปฏิบัติธรรมพึงพิจารณาให้เห็นโทษของบาปว่าเป็นสภาพอันต่ำสามเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า พิจารณาให้เห็นภัยในอบายภูมิมีนรกและกำเนิดสัตว์ดิาฉานเป็นต้นว่าความทุกเหล่านี้เกิดเฉพาะแก่ผู้มีบาปผู้ไม่มีบาปหาได้รับทุกข์เช่นนั้นไม่ประการที่สองเมื่อจิตได้พิจารณาเห็นโทษของบาปอย่างแท้จริงดังนั้นแล้วพึงพิจารณาถึงตนว่าโดยกำเนิดการศึกษาอายุสิ่งแวดล้อมการอบรมเกียรติยศ อิสริยยศและบริวายศเป็นผู้ไม่ควรทาบาปเพราะได้กำเนิดดีแล้วคือกาเนิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาหากทำบาปลามกชาติต่อไปจะต้องตกลงไปในกำเนิดต่ำเช่นนรกและกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นพบเหล่านั้นยากแก่การทำความดีถอยหลังลงไปมากยากแก่การตั้งต้นใหม่ เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสได้ศึกษาแล้วก็ควรรักษาฐานะของตนไว้หรือส่งเสริมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ควรให้บาปลากลงไปในทางต่ำอันหนึ่งอายุของคนเราก็ไม่ยืนยาวเท่าไหรนักไม่ควรพลาดเสียโดยการทำบาปควรให้อายุล่วงไปด้วยคุณความดีจะได้ไม่เสียใจภายหลังการศึกษาที่ลงทุนลงแรงกันก็เพื่อให้คนเป็นคนดี การทำบาปเป็นค่าศึ ก, กับความเป็นคนดียิ่งทำบาปมากเท่าใดความเป็นคนดีก็ลดน้อยลงเท่านั้นทุนรอนที่ลงไปในการศึกษาก็เหมือนศูนย์เปล่ายิ่งมีผลร้ายเสอีกเพราะศึกษามากฉลาดรอบรู้มากแต่จิตใจไม่มีธรรมย่อมหาโอกาสทำบาปได้มากเกียรติยศเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคนเพราะทำให้สบายใจในสังคม อิสริยยศให้ความสะดวกความคล่องตัวในการงานบริวารยศก่อให้เกิดความอบอุ่นใจเหมือนอยู่ในหมู่ญาติยศเหล่านี้ย่อมถูกความชั่วทำลายได้หรือสามารถสิ้นไปได้เพราะการประกอบกรรมชั่วแต่ย่อมเพิ่มพูนขึ้นด้วยการประกอบกรรมดีอันหนึง่งบุคคลควรพิจารณาถึงตนว่าบัดนี้เรากำลังเวียนว่ายอยู่ในสังสารทุก์ ต้องเกิดแก่เจ็บตายมีความโศกเศร้าเสียใจติดตามพัวพันอยู่ในชีวิตไม่ได้ว่างเว้นฉะนยหนเราจะพ้นจากทุกได้เราควรเว้นบาปทุจริตทั้งปวงเพื่อความพ้นทุกการปรารบตนแล้วเว้นบาปบำเพ็ญความดีอย่างนี้ท่านเรียกว่าอัตตาทิปไตยประการที่สามควรระลึกถึงมารดาบิดาครูอาจารย์ญาติพี่น้อง ตลอดถึงมิตรสหายที่เป็นกายาณมิตรว่าถ้าเรามีความชั่วจนต้องเสียชื่อเสียงหรือต้องเสียคนไปท่านเหล่านั้นจะเสียใจเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ท่านจะเสียใจมากกว่าคนอื่นเพราะท่านเลี้ยงดูมาด้วยความเหนื่อยยากลําบากเสียสละทั้งกําลังกายกําลังทรัพย์กําลังสติปัญญาและกําลังใจทั้งมวลมุ่งปลูกฝังลูกตั้งความหวังไว้ว่าจะได้ชื่นชมความดีของลูก แต่กลับได้ยินได้ฟังแต่เรื่องชั่วร้ายของลูกลองตรวจดูเถิดว่าท่านจะปิดหวังเพียงใดปวดร้าวใจเพียงใดเป็นการทำลายจิตใจของท่านเพียงใดการสั่งสอนปลูกฝังคนได้ดังใจนั้นเป็นความสุขใจอย่างยิ่งประการหนึ่งถ้าเป็นไปในทางตรงกันข้ามก็ต้องพบกับความเสียใจอย่างยิ่งเช่นกัน การพิจารณาถึงผู้อื่นแล้วเว้นความชั่วประพฤติความดีอย่างนี้ท่านเรียกว่าโลกาทิปไตยประการที่สควรระลึกถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าและบัณฑิตทั้งหลายได้แสดงไว้เป็นธรรมอันธรรมผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ได้จริงทรงสอนให้เว้นบาปก่อนเป็นการป้องกันเหมือนป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายทงสอนให้ทาความดีให้พรั่งพร้อมเหมือนการบารุง ร่างกายให้แข็งแรงด้วยอาหารและอากาศมีประโยชน์และออกกําลังกายพอสมควรส่งสอนให้ทําจิตให้บริสุทธิ์สะอาดเหมือนการทําใจให้แจ่มใสชื่นบานบุคคลผู้ไม่มีโรคมีร่างกายแข็งแรงมีใจแจ่มใสย่ยอมมีความสุขฉันใดผู้เว้นบาปทําความดีมีใจบริสุทธิ์ป่าจ่าจักธุรีคือกิเลสย่อมมีความสุขฉันนั้นการละลึกถึงธรรมเว้นบาป และทำความดีเพื่อทำอย่างนี้ท่านเรียกว่าทำมาทิปไตยประการที่5เมื่อเริ่มเว้นหรือละบาปในครั้งแรกๆอาจจะใช้วิธีตะทังคะปะานคือการละเป็นครั้งคราวเช่นการเลิกสูบบุหรี่วงเล็บนี่เพียงยกตัวอย่างไม่ได้ปรักปราว่าการสูบบุหรี่นั้นเป็นบาป ทีแรกๆอาจจะสูบบ้างเลิกบ้างเพื่ อ, อยังกำลังดูเมื่อเห็นว่ากำลังดีแล้วก็ลองเลิกติดต่อกันนานๆประการที่6วิธีที่เลิกและอะไรบางอย่างติดต่อกันได้นานๆด้วยการข่มไว้ไม่ให้กำเริบท่านเรียกว่าวิคขำพนะปะหารตัวอย่างการข่มกิเลส ด, ด้วยอำนาจฌานเหมือนศิลาทับยา หรือเหมือนโรคบางอย่างที่หลบซ่อนอยู่ไม่แสดงอาการให้ปรากฏภายในประการที่เจ็ดการเลิกบาปโดยเด็ดขาดตัดรากทั้งปวงไม่ได้เกิดขึ้นอีกทำลายด้วยอริยมรรคท่านเรียกว่าสมุเฉชปะหารแปลว่าละโดยเด็ดขาดอันหนึ่งวิธีการละความชั่วหรือบาปทำทั้งมวลย่อมดำเนินตามหลักคือเห็นโทษ วงเล็บอาทีนวังปัสสติและบรรเทาวิโนเทติละให้สิ้นพยันติการโติไม่ให้เกิดขึ้นได้อีกอะนะภาวังฆเมติพรนาบิธีละความชั่วมากพอสมควรแล้วต่อไปจะได้กล่าวถึงเรื่องประกอบหรือเรื่องอันเป็นเหตุให้พระาศาสดาทรงแสดงธรรมนี้ พระธรรมเทศนานี้พระพุทธองค์ทรงสแสดงที่เชตวันนารามเมืองสาวัตถีทรงปราบพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมหาธนาวานิชพ่อค้าคนนี้เป็นชาวเมืองสาวัตถีมีทรัพย์มากพวกโจรพยายามปล้นบ้านหลายครั้งแต่ไม่สาเร็จเพราะการคุ้มกันรักษาแข็งแรงไม่ประมาท ต่อมาพ่อค้านั้นจะเดินทางไปค้าขายต่างเมืองด้วยขบวนเกวียนจำนวนร้อยเนื่องจากมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบว่าตนจะเดินทางไปเมืองนั้นเมืองนั้นภิกษุรูปใดประสงค์จะเดินทางไปด้วยก็ขอนิมนต์จะไม่ลำบากด้วยข้าวปลาอาหารภิกษุจำนวนร้อยร่วมเดินทางไปกับพ่อค้านั้นพ่อค้าออกเดินทางแล้วไปพักอยู่ใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ปากดง จัดแจงโคและเวียนให้เรียบร้อยเพราะจะต้องผ่านดงที่มีอันตรายเข้าพักอยู่สองสามวันได้ถวายอาหารแก่ภิกษุที่มาด้วยไม่ได้ขาดพวกโจรรู้ว่าพ่อค้าออกเดินทางไปค้าขายต่างเมืองจึงไปซุ่มอยู่ในดงเพื่อปล้นพ่อค้านั้นเมื่อเห็นพ่อค้าไม่เดินทางเข้าดงสองสามวันแล้วจึงส่งลูกน้องคนหนึ่งให้ไปสอบถามดูชายนั้นไปถามสหายของเขา คนหนึ่งในหมู่บ้านทราบความทั้งปวงแล้วมาบอกโจรพวกโจรก็รอต่อไปชายชาวบ้านคนนั้นเห็นพ่อค้าเป็นคนดีจึงบอกความที่โจรกําลังดักปล้นอยู่ในดงขอให้พ่อค้ากลับเสียอย่าเดินทางต่อไปเลยพ่อค้าเชื่อบุรุษผู้นั้นจึงเตรียมตัวกลับบ้านคันลูกน้องโจรเห็นพ่อค้าไม่เดินทางไปทางนั้นจึงมาสอบถามดูอีก ทราบความแล้วไปบอกหัวหน้าโจรพวกโจรจึงพากันไปดักอยู่อีกทางหนึ่งชายชาวบ้านได้บอกพ่อค้าอีกด้วยความกรุณาอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนดีพ่อค้าพิจารณาแล้วคิดว่าควรจะงดการเดินทางหยุดอยู่ที่นั้นจนกว่าแน่ใจว่าจะปลอดภัยจึงค่อยไปจึงประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบว่าตนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เพราะโจรคอยดักปล้นอยู่ พระคุณเจ้ารูปใดประสงค์จะอยู่ก็ขอให้อยู่กับตนรูปใดประสงค์จะไปก็ขอนิมนต์ไปเองพิสุจน์จำนวนมากขอกลับไปเมืองสาวัตถีเมื่อถึงเชตวนารามแล้วเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลเรื่องราวทั้งปวงให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพิสูทั้งหลายพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากย่อมเว้นทางที่มีภัยมีโจรภัยเป็นต้น อันหนึ่งบุคคลผู้รักชีวิตย่อมเว้นยาพิษเสียฉันใดภิกษุทั้งหลายก็เช่นกันพิจารณาเห็นว่าพบทั้งสามเป็นเช่นกับหมุนทางที่พวกโจรซุ่มอยู่แล้วควรเว้นกรรมชั่วทั้งหลายเสียดังนี้แล้วได้ตัดพระคาถาว่าวานิชวะพะยังมรคังเป็นต้นดังได้กล่าวแล้วข้างต้นนั่นแหละเหมือนมือไม่มีแผล ปานิมิเจวโนนาสะระเหยยะปานินาวิสังภพาผพนังวิสมะเนวตินัตถิปา ป, ปังอกุพโตถ้ามือไม่เป็นแผลบุคคลย่อมสามารถนำยาพิษไปด้วยฝ่ามือได้ยาพิษย่อมไม่ซึมซาบเข้าไปฉันใดบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำฉันนั้นก็อธิบาย สิ่งสิ่งเดียวอาจเป็นอันตรายสำหรับคนหนึ่งแต่ไม่เป็นอันตรายสำหรับอีกคนหนึ่งอาจเป็นคุณสำหรับคนหนึ่งและเป็นโทษสำหรับอีกคนหนึ่งทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องรองรับเหมือนฝ่ามือที่มีแผลและไม่มีแผลยาพิษอย่างเดียวกันเมื่อใส่ลงไปในฝ่ามือที่มีแผลมันซึมซาบเข้าไปในแผลนั้นแล้วเล่นไปตามเส้นเลือดเป็นอันตรายถึงชีวิต แต่เมื่อใส่ลงไปในฝ่ามือที่ไม่มีแผลมันไม่มีทางซึมซาบเข้าไปในร่างกายอันตรายก็ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบางอย่างกลายเป็นของแสลงเมื่อป่วยแต่สำหรับคนปกติย่อมดื่มและบริโภคได้โดยของนั้นไม่เป็นพิษแก่ร่างกายแม้ในคนคนเดียวกันนั่นเองบางคราวบริโภคได้บางคราวบริโภคไม่ได้เพราะเครื่องรับคือร่างกายไม่ปกติ ตัวอย่างคนดื่มน้ำแข็งได้เมื่อไม่เป็นวัดแต่พอเป็นวัดน้ำแข็งกลายเป็นของแสลงดังนี้เป็นต้นกล่าวทางใจเมื่อใจไม่ปกติเจือด้วยอารมณ์กดกิดอยู่คาพูดของคนอื่นย่อมเสียดแทงใจได้ง่ายสิ่งนั้นซึมซาบเข้าไปให้เป็นพิษแก่จิตใจเปรียบเหมือนใจมีแผล อ, อยู่แล้วอะไรกระทบนิดกระทบหน่อยก็เกิดเป็นพิษขึ้น เมื่อจิตมีราคะเป็นพื้นฐานอยู่ก็เหมือนกันเมื่อมีรัคนียารมมากระทบอารมณ์นั้นย่อมแทรกซึมเสียดแทงเข้าไปภายในจิตโดยง่ายบุคคลผู้มีจิตอย่างนี้ท่านเรียกว่าอารุ ก, กูปะมะจิตโตปุคโรแปลว่าบุคคลผู้มีจิตเปรียบด้วยแผลบุคคลบางคนจิตใจมั่นคงดีสะอาดไม่มีแผลคือกิเลสเป็นพื้นฐาน อารมณ์ใดมากระทบก็ไม่อาจซึมซาบได้เหมือนน้ําไม่ซึมซาบลงไปในใบบัวไม่อาจซึมซาบลงไปในเพชรก้อนบริสุทธิ์ไม่มีรอยร้าวเราจะเห็นได้ว่าจิตของเรามีความสําคัญยิ่งกว่าสิ่งใดหมดอารมณ์ภายนอกไม่มีอิทธิพลต่อผู้มีจิตมั่นคงดีแล้วแต่มันมีอิทธิพลมากต่อผู้ที่จิตใจยังอ่อนไหวอยู่ เมื่อพูดถึงบาปบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำไม่เกี่ยวข้องแม้เขาจะอยู่ในหมู่คนบาปแต่บาปก็หาเปดเพื่อนเขาได้ไม่เขาอยู่ในโลกอย่างผู้ไม่มีบาปบริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งเห็นคนอื่นทำบาปมากเขายิ่งทำตนเหินห่างจากบาปเพราะได้มองเห็นตัวอย่างแห่งผู้ทำบาปแล้วเกิดขยะขยะแขยงขึ้นในใจ พระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เวรุวันวิหารเมืองราชฤกษ์ทรงปรารบนายพรานชื่อกุกกุฎมิตรมีเรื่องย่อดังนี้ในเมืองราชฤกษ์มีทิดาสาวสวยของเศรษฐีคนหนึ่งได้รับการเอาใจใส่เลี้ยงดูอย่างดียิ่งให้อยู่บนปราสาสชั้นที่7มีคนรับใช้คอยผลนิบัติไม่ยอมให้ออกไปที่ใด ให้ความหมายว่าการห่วงลูกสาวและห่วงผู้หญิงนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากในอินเดียผู้หญิงมีบทบาททางสังคมน้อยเต็มทีร้านค้าทุกร้านในปัจจุบันผู้ชายทําหมดไม่ว่าการค้าขายประเภทใดวันหนึ่งเธอยืนรับลมอยู่ที่หน้าต่างมองลงมาที่ถนนเห็นนายพรานคนหนึ่งกําลังขับเกวียนซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อเพื่อนําไปขายที่ตลาดเนื้อเธอมีจิตปฏิพัฒน์ในพรานนั้น วงเล็บเพราะบุพเพสันนิวาสจึงให้หญิงคนใช้ใกล้ชิดของตนนำบรรณาการไปให้ในายพรานแล้วถามถึงเวลาที่เขาจะกลับออกไปนายพรานบอกหญิงรับใช้ว่าวันนี้เมื่อเขาขายเนื้อหมดแล้วพรุ่งนี้เช้าเมื่อจะออกไปทางประตูโนนหญิงรับใช้มาบอกที่ดาเศรษฐีนางเตรียมเก็บของเท่าที่จําเป็นนุ่งผ้าเก่าเก่าถือหมอน้ําทําทีไปสู่ท่าน้ําแต่เช้าตรู่ เมื่อนายพรานขับเกวียนออกมาเธอก็เดินตามไปเมื่อเห็นผิดสังเกตนายพรานจึงกล่าวว่าฉันไม่รู้จักท่านว่าเป็นลูกใครอยู่ที่ใดอย่าตามฉันไปเลยกลับเสียเถิดนางตอบว่าท่านไม่ได้เรียกฉันมาฉันมาของฉันเองท่านขับเกวียนไปเฉยเฉยเถิดนายพรานขับเกวียนไปได้หน่อยหนึ่งเม่เห็นนางยังเดินตามมาจึงขอร้องหลายครั้งให้นางกลับ แต่นางพูดว่าธรรมดาคนมีปัญญาย่อมไม่ปฏิเสธสิริที่มาถึงตนนายพรานได้ฟังดังนั้นเข้าใจโดยแจมแจ้งว่านางมาเพื่อตนจึงอุ้มขึ้นสู่เกวียนแล้วขับไปมารดาบิดาของนางเข้าใจว่านางตายเสียแล้วจึงทา ม, มัตตกภพัทอุทิศส่วนกุศลให้เธออยู่กับนายพรานมีลูกเจ็ดคนโดยลาดับต่อมาเมื่อลูกโตแล้วได้จัดการให้แต่งงานทุกคน วันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยกุกกุดมิตรพร้อมทั้งบรและสะพายจึงเสด็จไปโปรดเสด็จไปที่ดักบ่วงของนายพรานแต่เช้าตรู่ทรงแสดงรอยพระบาทไว้ที่ใกล้บ่วงของนายพรานแล้วหลีกไปประทับนั่งใต้ล่มไม้ต้นหนึ่งวันนั้นเนื้อสตรอวก็ไม่ได้ติดบ่วงเลยนายพรานกุกกุดมิตร ออกไปดูบ่วงแต่เช้าตู่ไม่เห็นเนื้อติดบ่วงเลยแต่เห็นรอยพระบาทพระศาสดาที่ใกล้บ่วงจึงคิดว่าคงจะเป็นบุคคลผู้นี้แน่ที่มาล่อปล่อยสัตว์ที่ติดบ่วงของเราเดินต่อไปเห็นพระศาสดาประทับนั่งอยู่โคนไม้ต้นหนึ่งคิดว่าคงจะเป็นสมณะรูปนี้แน่ที่ปล่อยเนื้อของเราจึงโกงธนูมุ่งจะยิง พระศาสดาทรงบันดาลด้วยอิทธาพิสังขารวงเล็บการแสดงฤทธิ์ให้ในายพานโก่งธนูอยู่อย่างนั้นยิงไม่ได้ลดธนูลงก็ไม่ได้นายพานยืนอยู่ในท่าโก่งธนูจนปวดสีข้างทั้งสองปานจะแตกน้ำลายไหลฟูมปากอ่อนเพลียเมื่อเห็นว่าบิดาออกไปนานไม่กลับพวกบุตรคิดว่าคงมีเหตุร้ายอะไรสักอย่างจึงออกไปตาม เ um ห body, AH. body, Alumni, ็น <Rainbow> บิดาอยู่ในท่าทางนั้นคิดว่าผู้นี้คงเป็นศัตรูกับบิดาของเราจึงโกงธนูขึ้นเพื่อจะยิงพระศาสดาทรงบันดาลให้ยืนอยู่อย่างนั้นไม่ให้ปล่อยธนูและไม่ให้ลดลงต่อมาบุตรสะพ้ยและภรรยาของนายพรานมาตามเห็นดังนั้นนางตกใจเข้าใจว่าสามีและบุตรของตนกำลังจะประหารพระผู้มีพระภาคจึงร้องขึ้นว่า อยากให้บิดาของเราต้องพินาศเลยอยากให้ธิดาของเราพินาศเลยนายพรานและบุตรได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าสมณะนั้นเป็นพ่อตาและตาของตนจึงมีจิตอ่อนโยนในพระผู้มีพระภาคประกอบกับธิดาเศรษฐีได้กล่าวว่าจงทิ้งธนูเสียโดยเร็วและให้บิดาของเราอดโทษให้พระศาสดาทรงทราบว่า ทั้งนายพรานและบุตรมีจิตอ่อนโยนแล้วจึงทรงคลายฤทธิ์ให้คนเหล่านั้นลดธนูลงได้พวกเขาถวายบังคมพระาศาสดาแล้วขออภัยโทษพระทศพลทรงแสดงอนุุปิกถาเมื่อจบพระธรรมเทศนานายพรานกุกกุดมิตรพร้อมทั้งบุตรและสภัยได้บรรลุโสดาปฏิผลส่วนทิดาเศรษฐีได้บรรลุโสดาปฏิพัมาแล้วตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่อพระาศาสดา เสด็จมายังวิหารเวรุวันพระอานนทูลถามว่าวันนี้เช้าเสด็จไปแห่งใดตรัดตอบว่าเสด็จไปโปรดพรานกุกกุทมิตรพระอานนทูลถามว่าทรงกลับใจในพรานให้เลิกปานาติบาตแล้วหรือตัดตอบว่านายพรานพร้อมทั้งบุตรและสะพายได้บรรลุโสดาปฏิผลแล้วภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงภรรยาของนายพรานพระศ า, าสดาตัดว่านางได้บรรลุโสดาปฏิผลตั้งแต่อายุยังเยาว ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าได้ยินว่าภรรยาของนายพรานกุกกุตตมิตรได้เป็นโสดาบันตั้งแต่อายุยังเยาว์แต่นางหนีมารดาบิดาไปอยู่กับนายพรานและต้องทำตามคำสั่งของนายพรานตลอดการนานว่านางจงนำธนูมาจงหยิบลูกศรมาจงนำลาวนำขายมา นายพรานถือเครื่องประหารที่นางให้แล้วไปทําปานาติบาตอยู่ประจําก็พระโสดาบันยังทําปานาติบาตยังส่งเสริมปานาติบาตอยู่หรือหนอพระตถาคตเจ้าเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระโสดาบันหาทําปานาติบาตไม่แต่ที่ธิดาเศรษฐีทําเช่นนั้นก็ด้วยตั้งใจว่าจะทําตามคําของสามีนางหามีจิตปานาติบาตไม่ นางไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนว่าขอให้ในายพรานนำเครื่องมือเหล่านี้ไปประหารสัตเถิดภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าเมื่อแผลที่ฝ่ามือไม่มียาพิษไม่อาจให้โทษแก่ผู้ถือยาพิษไปได้ชั้นใดบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปชั้นนั้นแม้จะนำเครื่องประหารมีธนูเป็นต้นมาให้เพราะเขาไม่มีอกุศลเจตนาในปณติบัตนั้น ดังนี้แล้วตัดพระคาถาว่าปาเนมหิเจวโนนาสสะเป็นอาทิต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันที่ธรรมสภาว่าอะไรหนอเป็นปัจจัยแห่งโสดาปฏิผลของพรานกุกกุดมิตรอันหนึ่งผู้มีอุินิสัยแห่งโสดาปฏิผลเช่นนั้นทำไมหนอจึงเกิดในสกุลพรานเนื้อ พระศาสดาเสด็จมาตรัสเล่าถึงบุพรกรรมของพรานกุกกุฎมิตรว่าในสมัยแห่งพระกัสสปะทศพลพรานกุกกุฎมิตรเกิดเป็นเศรษฐีชนบทเมื่อพระกัสสปะทศพลปรินิพานแล้วชนทั้งหลายเตรียมสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมื่อเตรียมการเรียบร้อยแล้วกล่าวกันว่า ในการบรรจุพระาธาตุครั้งนี้ต้องใช้ทรับมากพวกเราควรได้ใครหนอเป็นหัวหน้าครั้งนั้นเศรษฐีชนบทสละรัพย์ให้โกดหนึ่งขอเป็นหัวหน้าคนทั้งหลายพากันติเตียนเศรษฐีในกรุงว่ามีเงินมากเสียเปล่างานบรรจุพระาธาตุอย่างนี้ไม่อาจเป็นหัวหน้าได้เศรษฐีในกรุงได้ยินดังนั้นเกิดความละอายจึงมอบรั์ให้สองโกดขอเป็นหัวหน้าเศรษฐีชนบทให้สามโกด เศรษฐีในกรุงให้สี่โกรขึ้นไปเป็นทานองนี้จนถึงแปดโกรเศรษฐีชนบทคิดว่าถ้าเราให้เก้าโกรเศรษฐีในกรุงก็จะให้สิบโกทรัพย์ของเรามีเพียงเก้าโกรเท่านั้นส่วนของเศรษฐีในกรุงมีถึงสี่สิบโกรเราต้องแพ้ในการออกทรัพ์คิดดังนี้แล้วจึงประกาศแก่คนทั้งหลายว่าข้าพเจ้าออกรั์ให้ได้เพียง8ดโกรเท่านี้ แต่ข้าพเจ้าพร้อมด้วยบุตรภรรยาและลูกสะพ้ยจักยอมตนเป็นทาสของเจดีประชาชนได้ทราบดังนั้นจึงพร้อมกันตั้งเขาให้เป็นหัวหน้าในการบรร จ, จุพระาธาตุครั้งนั้นและขอให้เขาเป็นไทยไม่ต้องเป็นทาสของเจดีแต่พวกเขาก็ปฏิบัติเจดีจนสิ้นอายุไปบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่พุทธันดรหนึ่งในพุทธ ถาบาดการนี้พระยาของเขาจุติจากเทวโลกบังเกิดในสกุลเศรษฐีเมืองลาดสครึได้บรรลุโซดาปฏิผลตั้งแต่ยังเยาว์ส่วนสามีไปบังเกิดในสกุพลพรานเนื้อทั้งนี้เพราะปฏิสนธิของสัตว์ผู้ยังไม่ได้เห็นสัจจะเป็นของไม่แน่นอนความเสิ e นหาในการก่อนได้ครอบงำที่ดาเศรษฐีในขณะที่เห็นพรานเนื้อนั่นเองสมจริงดังพระดารัตที่พระาศาสดาตรัสว่า ปเพวสันนิวาเสนาปจุปนะฮิเตเณวาเอวันตังชายเตเปมังอุปพลังวะยัโธทเกความรักเมื่อเกิดย่อมเกิดด้วยเหตุสองประการคือเพราะร่วมสุขทุกข์กันมาในชาติก่อนหรือเพราะเกื้อกูลกันในปัจจุบันอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนอุบลย่อมเกิดในน้ําหรือในเปลือกตม บุตรในชาติก่อนมาเกิดเป็นบุตรในชาตินี้ลูกสะภ้ยในชาติก่อนก็มาเกิดเป็นลูกสะภ้ยในชาตินี้เหมือนกันอุปปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลของคนเหล่านั้นมีเพราะอาณิสง์แห่งการปฏิบัติเจดีด้วยประการชนี้แล่เกเหมือนปลาทุรีทวนลมพระพุทธภาสิทธ ผู้ใดประทุสร้ายบุคคลผู้ไม่ประทุสร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสบาปย่อมตกถึงบุคคลผู้ประทุสร้ายนั้นเหมือนธุลีละเอียดที่บุคคลปาขึ้นไปถวนลมย่อมหวนกลับมายัางผู้ป่าฉะนั้นตั้งแต่เริ่มมีสัตว์มีชีวิตขึ้นในโลกดูเหมือนว่าโลกเราไม่เคยขาดแคลนไม่เคยว่างเวน้นจากการประทุสร้ายประหัดประหารกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็ก เป็นปรากฏการธรรมดาที่ไม่ก่อให้เกิดความประหลาดใจแก่ใครเลยอำนาจการปกครองย่อมตกอยู่ในมือของคนเข้มแข็งมีอำนาจที่จะรักษาความเป็นใหญ่ไว้ได้หากผลประโยชน์ยังสอดคล้องกันอยู่มนุษย์ก็ยังสามารถขีปลองดองและประนีประนอมกันได้แต่เมื่อใดผลประโยชน์เกิดไปขัดกันขึ้นมนุษย์ก็ทะเลาะกันปะทธร้ายกัน ประหัดประหารกันหาทางทำลายอีกข้างหนึ่งให้ย่อยยับไปส่วนมากก็ย่อยยับลงไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายกว่าจะรู้สึกตัวก็ย่อยยับไปเสียแล้วสงครามที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งไม่ว่าสงครามกลางเมืองหรือสงครามระหว่างประเทศย่อมตามมาด้วยความย่อยยับทั้งสองฝ่ายในโลกนี้การสร้างและการทำลายเป็นของคู่กันมือทั้งสองของมนุษย์นั้นดูเหมือนว่า มือหนึ่งเป็นผู้สร้างและอีกมือหนึ่งเป็นผู้ทำลายมีแต่การสร้างไม่มีการทำลายโลกก็จะล้นมีแต่การทำลายไม่มีการสร้างโลกก็จะว่างเปล่าธรรมดาของโลกเป็นดังนี้เหมือนการเกิดและการตายอันเป็นกฎธรรมชาติบางคนกล่าวว่าโดยนิสยัยมนุษย์เป็นผู้ชอบทำลายแต่บางคนก็กล่าวว่าโดยนิสยัยหรือโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เป็นผู้ชอบสร้างสรร แต่ที่ต้องทำลายก็เพราะเกิดความขัดใจกันขึ้นความจริงโลกเราทุกวันนี้มีโอกาสอยู่มากที่จะสร้างสรรความเจริญรุ่งเรืองแก่สังคมมนุษย์ยิ่งกว่าในสมัยใดๆที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่ายิ่งโลกเจริญขึ้นความขัดแย้งต่างๆก็มีมากขึ้นด้วยความต้องการของมนุษย์ซึ่งเดิมทีมีเพียงเล็กน้อยจากัดอยู่ในขอบเขตของปัจจัย4เฉพาะที่จาเป็น ได้ถีบตัวสูงขึ้นจนเกือบจะพูดไม่ถูกในบัทนี้ว่ามนุษย์เราต้องการอะไรแน่ความสุขซึ่งโดยปกติเป็นของหาได้ง่ายก็กลับเป็นของหาได้ยากสาหรับมนุษย์ในสังคมปัจจุบันท้งนี้สืบเนื่องมาจากความผิดพลาดที่มนุษย์ละเลยเพิกเฉยในสิ่งที่ควรเอาใจใส่อย่างยิ่งนั่นคือการฝึกฝนจิตของตนการอบรมจิตของตนให้สะอาดการขัดเกลาอั่ยยาัยของตนให้ประณีต มนุษย์จะได้รับการศึกษาภายนอกสูงเพียงใดก็ตามจิตใจของเขาจะไม่สว่างขึ้นนอกจากเขาจะหันมาศึกษาและปฏิบัติทางจิตด้วยการศึกษาภายนอกไม่ได้ช่วยให้เขาลดความเห็นแก่ตัวลงเลยข้อขัดแย้งของมนุษย์ในสังคมจนต้องฟาดฟันประหัดประหารกันนั้นไปจากความเห็นแก่ตัวมุ่งแต่ประโยชน์ของตน ฝ่ายหนึ่งต้องการให้ได้เปรียบมากที่สุดอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันทาเรื่องความไม่เบียดเบียนอหิงสาประโมธรรมโมและทาเรื่องความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมความรับผิดชอบต่อสังคมนี่เองจะช่วยให้โลกของเราให้น่าอยู่ขึ้นท่านอยู่ในสังคมใดก็ได้ถ้าท่านสังเกตจะเห็นว่าคนส่วนมากเห็นแก่ความสะดวกสบายของตน มากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือความรับผิดชอบต่อสังคมเขามักทําอะไรเพียงเพื่อให้พ้นตัวเขาเท่านั้นสังคมและส่วนรวมจะต้องรับภาระหนักเพียงใดเขาไม่ได้นึกถึงความสกปรกของที่สาธารณะเป็นตัวอย่างได้ประการหนึ่งในเรื่องนี้เราจะต้องปลูกฝังคนของเราให้มีจิตใจเพื่อสังคมเราจะต้องปลูกฝังคนของเราให้เอาใจใส่ต่อเรื่องของจิตใจให้มากกว่านี้ เป็นความจริงที่ว่าความทุกข์ของโลกไม่สามารถแก้ได้ด้วยการช่วยเหลือทางกายอย่างเดียวตราบใดที่อุปนิสัยของคนยังไม่เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแปลงไปคนก็จะรู้สึกมีความทุกข์อยู่เสมอการช่วยเหลือทางกายจะมากมายเพียงใดก็ไม่อาจลดความทุกข์ของมนุษย์ให้หมดสิ้นได้วิธีเดียวที่จะแก้ปัญหานี้คือการธรรมนุษย์ให้บริสุทธิ์ขึ้นความโง่เขลา เป็นมันดาคือต้นเขาสำคัญของความชั่วและความทุกข์ทั้งมวลเท่าที่เราเห็นอยู่ขอให้เราช่วยให้มนุษย์สว่างบริสุทธิ์มีกำลังจิตเข้มแข็งและมีการศึกษาดีด้วยวิธีการเพียงเท่านี้ความทุกข์ของโลกจึงจะสิ้นสุดลงได้แม้เราจะให้ความคุ้มครองคนทุกบ้านทุกเรือนสร้างโรงพยาบาลให้เต็มแผ่นดินก็ตามแต่หากว่าเนื้อแท้ของมนุษย์ ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตราบใดความทุกข์ก็จะต้องดาเนินต่อไปตราบนั้นการที่มนุษย์เรายัางต้องประทุษร้ายกันก็เพราะผลประโยชน์ขัดกันที่ผลประโยชน์ขัดกันเพราะมนุษย์เรายังเห็นแก่ตัวอยู่มากการที่มนุษย์ยังเห็นแก่ตัวก็เพราะขาดแคลนธรรมในใจการปลูกฝังให้คนมีธรรมจึงเท่ากับให้ทุกสิ่งทุกอย่างการขาดแคลนธรรมเท่ากับการขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งที่น่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งต่อผลอันชั่วร้ายของมันก็คือการประทุษร้ายต่อท่านผู้ไม่ประทุษร้ายการใส่ร้ายหรือทำอันตรายแก่ท่านผู้บริสุทธิ์การกระทำดังนั้นเป็นเรื่องของคนขาดไม่มีใจเป็นนักกีฬาและผลของการกระทำเช่นนี้ย่อมร้ายกว่าการประทุษร้ายซึ่งกันและ ก, กันพระพุทธองค์ทรงเปรียบการกระทำเช่นนั้นว่าเหมือนปาทุลีทวนลมทุลีย่อมหวนกับ มายัางผู้ปานั่นเองดูตัวอย่างเรื่องต่อไปนี้พรานสุนัขชื่อโกกะนพรานชื่อโกกะพร้อมด้วยสุนัขล่านเนื้อของเขาออกไปสู่ป่าแต่เช้าพบภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งกำลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่เขาโกรธ ด, ด้วยคิดว่าวันนี้เราเจอคนกาลกินีวงเล็บขนชั่วร้าย คงไม่ได้อะไรเป็นแน่ดังนี้แล้วเดินเข้าป่าไปส่วนพระก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตฉันอาหารเสร็จแล้วก็เดินกลับที่อยู่ของตนวันนั้นนายพรานไม่ได้อะไรเลยจริงๆแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้เขาเดินออกจากป่ามาเจอพระรูปนั้นในระหว่างทางอีกเข้าโกรธมากเชื่อว่าเพราะได้พบคนกาละกิ น, นีนี้ทีเดียวจึงไม่ได้อะไรเลย เขาคิดว่าจะปล่อยสุนัขให้กัดพระหัวโลนรูปนั้นให้ถึงแก่ความตายดังนี้แล้วให้สัญญาณแก่สุนัขแล้วปล่อยไป เ, เรื่องอย่างนี้ก็มีนะบ้านเราก็มีนี่สมัยหนึ่งไปบิณฑบาตในเป็นพระ อ, อย่างใหม่ๆพระพรรษาอย่างน้อยนะเพิ่งสองพรรษาเนเขากำลังจะเข้าหมู่บ้านเขาก็กำลังจะเไงหา ไปหาอาหารเหมือนในพรานนี่แหละนี่พอดีมันมีต้นไม้มีป่าละเมอบังอยู่เนี่ยเขาก็เดินมาแต่เช้าพระก็เดินไปบิญทบาตทนี่พอไปจ้าเอกันจริงกู้สวยอีกแล้วก็บอกกู้สวยคําเนี่ยกูสวยคือคนนึ่งนะคนจะทําบาปก็ไปจับปูจับป่าก็เห็นพระเป็นตัวสวยไปเลย แตก็ถือจริงๆนะถ้าเจอพระแล้วก็ว่าไม่ต้องไปหาหรอกไม่ได้หรอกวันนี้ก็ว่าก็ดีเหมือนกันนะอันนี้ก็เข้าทํานองเดียวกันแต่อันนี้โกรธไม่พอใจเพราะว่าไปทั้งวันไม่ได้เนะี่ยแถมกลับมามาเจอพระอีกนะโอ๊ยก็สวยหนักเข้าไปอีกมาอย่างนั้น น, ะนี่ปล่อยสุนักไปแล้วพระท่า น, นก็อ้อนวอนดิอ้อนวอนหลายครั้งว่าอย่าทําอย่างนั้นเลยโยมแต่ในพันก็หาฝั่งใหม่เนะี่ยังคงยุให้สุนักกัดอยู่นั่นเอง พระท่านเห็นภัยอยู่เฉพาะหน้าเหลียวเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งจึงรีบปีนขึ้นไม้ไปนั่งในที่สูงประมาณชั่วขนนี่จะเห็นว่าพระวิ่งขึ้นต้นไม้ได้ในเมื่อมีเหตุจําเป็นนี <c> ่ <oughs> จะสูงกว่าที่กําหนดก็ยังได้ในพรานโกกะร้องบอกว่าจะหนีไปไหนก็ไม่มีทางพ้นมือข้าพเจ้าได้ดังนั้นแล้วเอาปลายลูกศรแทงพื้นท้าพระอย่างไม่ปราณี พระอ่อนวอนหลายครั้งอุบาสกอย่าทำอัตมาอย่างนี้เลยแต่นายพรานหาฝังไม่พระเถระเมื่อถูกแทงเท้าขวาก็ยกเท้าขวาขึ้นย่อนเท้าซ้ายลงเมื่อถูกแทงเท้าซ้ายก็ยกเท้าซ้ายขึ้นย่อนเท้าขวาลงท่านถูกแทงเท้าทั้งสองข้างซ้าแล้วซ้าเล่าจนปวดไปหมดสรีละของท่านรู้สึกร้อนประดุดถูกกลมด้วยเพลิงเพราะพิษแผลท่านเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัส จนไม่สามารถคุมสติได้จีวรหลุดลงโดยท่านไม่รู้ตัวมันตกลงมาคุมนายพรานโกกะตั้งแต่ศรีรษะจะลดเท้าพวกสุนัขครูกันเข้าไปกัดนายพรานโกกะด้วยเข้าใจว่าพระตกลงมาจนเหลือแต่กระดูกแล้วออกมาจากจีวรยืนอยู่พระเถระได้หักกิ่งไม้ปาลงมามันเหลียวขึ้นไปเห็นพระจึงรู้ว่าคนที่มัน กัดกินเป็นเจ้าของมันเองตกใจวิ่งเข้าป่าไปพระเถระสงสัยในศีลของตนว่ายังบริสุทธิ์อยู่หรือไม่หนอจึงไปทูลถามพระผู้มีาพระภาคที่เชตวนารามพระาศาสดา ต, ตัดตอบว่าศีลของเธอยังบริสุทธิ์อยู่ความเป็นสมณะยังเต็มบริบูรณ์พระตถาคตเจ้าตัดต่อไปว่านายพรานนั้นปัทุสร้ายต่อผู้ไม่ปัทุสลายตนประสบความพินาศในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้ แม้ในอดีตก็เคยเป็นมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตัดเล่าเรื่องในอดีตดังนี้ในอดีตการพานชื่อโอกกะนี้เกิดเป็นหมอไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเที่ยวหาคนป่วยเพื่อประกอบเวชกรรมคือการรักษาแต่ไม่มีใครยอมรักษาด้วยเดินออกมานอกบ้านถูกความหิวรบกวนเป็นกําลังเงินจะซื้ออาหารก็ไม่มีบังเกินพบเด็กกลุ่มหนึ่งกําลังเล่นกันอยู่ คิดว่าจะหลอกลวงเด็กให้งูกัดแล้วจะได้รักษาได้เงินค่าอาหารเขาเห็นงูนอนชูศีรษะอยู่ที่โพรงไม้ตัวหนึ่งจึงบอกเด็กว่านั้นลูกนกสาลิกาจับสิทันใดนั้นเด็กน้อยคนหนึ่งพุ่งปราดเข้าไปจับที่คองูอย่างมั่นดึงออกมาพอรู้ว่าเป็นงูก็ตกใจกลัวจึงร้องขึ้นและสลัดไปอย่างแรง งูไป พ, พันคอหมอซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลนักและกัดหมอจนถึงตายหมอคือนายโกกะในบัดนี้นั่นเองพระาศาสดาตัดเล่าอาดีตชีวิตของนายโกกะพูดถึงความพินาศเพราะปัทุสร้ายในบุคคลผู้ไม่ปัทุสร้ายดังนี้แล้วตัดพระธรรมเทศนาว่าโยอัปปุทุทัสสะนัศสะทุสติเป็นอาทิดังพุทธภาษิตที่ตัดไว้เบื้องต้ น, ตน ที่กล่าวมานั่นแหละ